ตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดในคำพีทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกและอัรถกาถามีตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดมากมายตัวอย่างเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการเกิดใหม่คือไม่ได้เป็นอย่างเดียวเสมอไปเช่นวิญญาณของคนอาจไปเกิดในร่างสัตว์ดีรฉานและวิญญาณของสัตว์ดีรฉานก็อาจมาเกิดในร่างของคนได้ ทั้งนี้สุดแล้วแต่กรรมที่ทําในขณะที่เป็นคนหรือเป็นสัตว์นั้นถ้าทําดีวิญญาณพัฒนาสูงขึ้นไปเกิดดีขึ้นถ้าทําชั่วมากวิญญาณตกต่ำลงก็ไปเกิดในที่ต่ําตามความเหมาะสมแก่กรรมของตนของตนคำภีอปทานอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระสุดตันตบิดกเป็นคำภีอันว่าด้วยเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองบ้างของพระสาวกสาวิกาบ้าง ซึ่งเจ้าของประวัติผู้ระลึกชาติได้ได้ตรัสเล่าและเล่าไว้เองจัดเป็นตัวอย่างแห่งการตายแล้วเกิดใหม่อันปรากฏในคำภีพระไตรปิฎกส่วนในชั้นอัตถกถฐานั้นมีเรื่องตายแล้วเกิดอยู่มากมายดา ด, ดื่นขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งปรากฏในอัตถกถาจุลกรรมมวิพังขสูตรดังนี้โตเทยยพรามบิดาของสุภมานบ ตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นสุภมานพทูลอารัธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จเสวยที่นิเวศของตนและได้ทูลถามว่าบิดาของตนไปเกิดที่ใดพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านนั่นเองสุภมานพไม่เชื่อพระองค์จึงให้พิสูจน์โดยให้ไปนําสุนัขตัวนั้นมาแล้วให้อาบน้ําอย่างดีเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดี แล้วให้เรียกสุนัขนั้นว่าคุณพ่อขอให้บอกขุมทรัพย์ที่ฝังไว้สุพมานกทําตามพระพุทธดํารัสสุนัขตัวนั้นดีใจนําสุพมานพผู้เป็นบุตรของตนไปยังสวนหลังบ้านเอาเท้าตะกายดินที่ฝังทรัพย์ไว้สุพมานพได้ทรัพย์เป็นอันมากตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดที่ปรากฏในปัจจุบันหนึ่ง เรื่องนายปรมาณนันชาวอินเดียอายุ39ปีตายไปเกิดเป็นเด็กปราโมดประรึกชาติได้เมื่ออายุห้าขวบครึ่งบิดาของเด็กคนนี้ชื่อนายบางกาลี ล, าลันสัลมะศาสตราจารย์แห่งวิทยาลายัยเตรียมอุดมศึกษาบิศซาวลีนายบางกีได้บันทึกไว้ว่าปราโมทมีสติปัญญาเฉียบแหลมมาก เขาเริ่มกล่าวคำว่าโมราดาบัดและบริษัทโมฮันบลัดเดอร์แต่ลำพังคนเดียวเมื่อปีหนึ่งล่วงมาแล้วเขาได้พูดถึงร้านขายของที่เขาเป็นเจ้าของเมื่อชาติก่อนรวมทั้งสิ่งของต่างๆที่เขาจัดการภายในห้างสองสมวันต่อมาเขาได้อ้างถึงร้านของเขาที่สรัญปุระขนมปังและชาเป็นสิ่งที่เขาสนใจมาก เขาพูดถึงร้านโซดาและขนมปังในชาติก่อนของเขาเมื่อได้ไปเยี่ยมโมราดาบัดเขาจำทุกๆุกคนได้เกือบหมดเว้นไม่กี่คนเขาจำลูกชายคนโตของเขาไม่ได้เพราะเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากบิดาตายไป5ปีเขาจำลูกชายคนอื่นๆลูกหญิงคนเดียวพัญญามานดาบิดาและคนอื่นหลายคนซึ่งเขาเคยเกี่ยวข้องในชาติก่อน คือชาติที่เป็นปรมาณนันบางครั้งปรามวดนั่งอยู่หลายชั่วโมงชิดเลขจำนวนใหญ่ๆได้เขาสร้างแบบร้านต่างๆในขณะที่เล่นและขึงเส้นได้ทำเป็นสายไฟฟ้าบางครั้งเขาพูดซ้ำๆถึงชื่อของดานมัตตะและบีลาซึ่งเป็นชื่อเมืองซึ่งแม้คนโตในที่นี้คือบิซาลีก็ไม่รู้ ปรามมดมีศีรษะใหญ่ยื่นไปข้างหลังผิดธรรมดานายบางกีผู้เป็นวิดาเป็นคนชั้นกลางแต่เด็กไม่พอใจในฐานะอันนั้นเขาชอบพูดยามถึงเรื่องการค้าการเปิดร้านใหญ่ๆ ใ, ใ, ในบอมเบย์และเดลีเขากล่าวว่าเคยไปกรุงเดลีหลายครั้งเกี่ยวกับการค้าเด็กต้องการเครื่องบินเรือเดินทะเลห้องใหญ่ เครื่องรับวิทยุและของทันสมัยต่างๆปราโมดมีใจจดจ่อมากต่อญาตในชาติก่อนไม่ปรารถนาจะอยู่กับนายบางกีบีดาใหม่เขาขอร้องให้บีดาซื้อและมีธนาคารเองต่อมาในวันที่15สิงหาคม2491ตรงกับคริสตศักราช1948เด็กปราโมดกับบีดาเดินทางไปยังเมืองโบราดาบัต เวลานั้นปราโมดอายุได้สี่ขวบกับห้าเดือนคือปราโมดเกิด15มีนาคม2487พี่ชายใหญ่ในชาติก่อนคือการำจันได้ไปรับที่สถานีรถไฟเด็กปราโมดชี้ตัวพี่ชายใหญ่ได้ถูกต้องทงั้งทั้งที่ปากนอยู่ในกลุ่มคนเป็นอันมากเขาโผเข้ากอดและไม่ยอมไปหาวิดาในชาติใหม่ เมื่อมีคนถามว่ารู้จักคนคนนี้ได้อย่างไรเขาตอบทันทีว่ารู้สิเขาเป็นพี่ชายใหญ่ของฉันเมื่อผ่านบริเวณทาวน์ฮอลล์เด็กได้กล่าวขึ้นว่านี่คือทาวน์ฮอลล์อันเป็นคำอังกฤษซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเมืองเล็กๆที่เขาเกิดใหม่เมื่อพาเด็กไปยังร้านโชมุกฮาปูเด็กจำตึกนั้นได้ทันทีและกล่าวว่าเขาเคยอยู่ที่นั่น เมื่อเข้าไปในร้านเขาได้ชี้ลูกสาวลูกชายและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆได้ถูกต้องเมื่อพาเด็กไปรอบๆโรงงานทําขนมปังเด็กพูดคำว่าเบเกอรี่อันเป็นคำอังกฤษคำหนึ่งซึ่งเด็กไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อเข้าไปในครัวเขาพูดว่าเขาเคยนั่งบนเตียงไม้และสวมดมนต์ที่นั่นขณะที่เขาจะเข้าไปในห้องนี้ เขาได้นำมาสการสถานที่ที่เขาเคยนั่งทำสมาธิเมื่อเห็นพญายาในชาติก่อนของเขาไม่มีรอยชาติคือสีแดงที่แสกผมตรงหน้าผากอันเป็นเครื่องหมายของการมีสามีของหญิงอินเดียที่หน้าผากเขาได้ถามหล่อนว่าพินทุหรือจุดเครื่องหมายที่หน้าผากของเธอไปไหนเสียตลอดเวลาที่เด็กปราโมทพักอยู่ที่โมราดาบัดคนนับจานวนพัน รวมทั้งคนสำคัญสำคัญของนครโมราดาบัตได้มาเยี่ยมเยียนไม่ได้ขาดสายเด็กอายุ4ขวบครึ่งกล่าวว่าเขาคือปรมาณานน้องชายของบีโมฮันรันเจ้าของร้านขายเครื่องบริโภคสมเร็จรูปบริษัทโมฮัมบร่าเดอร์ซึ่งมีสาขาในสรานุระและโมราดาบัตและเขาได้ถึงแก่กรรมที่สรานุระ เมื่อวันที่ 9. พฤษภาคม2486เนื่องจากโรคเรื้อรังในกระเพาะอาหารชื่อของเด็กตามที่ปรากฏในดวงชะตาโหราศาสตร์ซึ่งบัณฑิตตั้งให้คือปรมาณนันอันไปพ้อง ก, กันกับชื่อชาติก่อนอย่างแปลกประหลาดแต่เนื่องจากพี่ชายในชาติใหม่ของเขาคนหนึ่งชื่อปราโมดเขาก็พลอยถูกเรียกว่าปราโมดไปด้วยแต่เด็กยืนยันอยู่เสมอว่า เขาคือปรมานันแห่งโมราดาบัดเมื่อครอบครัวในชาติก่อนของเขามาชุมนุมพร้อมกันเด็กปราโมดหรือปรมานันได้กล่าวว่าพี่น้องทุกคนเคยนั่งร่วมกันดื่มน้ำมะนาวเป็นต้นเมื่อมาถึงตอนนี้พี่น้องที่มาประชุมกันและคนอื่นๆก็ร้องไห้เด็กได้แสดงความปรารถนาที่จะไปยังแคดดี้คือที่นั่งทำงานของเขา เมื่อเข้าไปในร้านเข้าตรงไปที่เครื่องจักรสำหรับทำโซดาและอธิบายถึงวิธีทำน้ำอัดลมชนิดนี้และอื่นๆเรื่องปรมาณนานหรือปราโมดี้ผู้เขียนได้รวบรวมเก็บความจากหนังสือเรื่องตายแล้วเกิดของสุชิโวพิกุวัดกันมาตุยารามซึ่งผู้เรียบเรียงถแถลงว่าได้ถอดความจากระสาอังกฤษซึ่งพิมพ์ในหนังสือโบสถ์ วารสารทางพระพุทธศาสนาประจำศก 2,492 2เรื่องส ม, มนเด็จระลึกชาติได้ที่จังหวัดนครพนมประเทศไทยส ม, มนเด็จรูปนี้ชื่อเลี่ยมอยู่บ้านน้ำกำมอำเภอพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมชาติก่อนเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนุ่มเลื่อมสายในพระทุดงคณะหนึ่งซึ่งมีอาจารย์ทองเป็นหัวหน้า ถวายตัวเป็นสิทธิ์และได้อุปสมบทกับพระธุดงขณะนั้นตอนสุดท้ายท่านอาจารย์ซึ่งคงหมายถึงท่านอาจารย์ทองพาจาริกไปจำพรรษาที่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมณนะที่นั้นมีค่ายป่าชุกชุมมากพระบัวคือสมเด็จเลี่ยมในชาตินี้เป็นค่ายป่าถึงมรณภาพเมื่อถึงเวลาตายพระบัวมีสติสัมปชัญญะประคองจิตไว้ในกรรมฐาน กายทิพย์ออกจากร่างเป็นพระบัวอีกรูปหนึ่งออกไปยืนดูพระบัวผู้นอนมรณภาพอยู่และได้เห็นพระเนรประชาชนมาเยี่ยมดูอาการของพระบัวเป็นอันมากไม่มีใครสนใจกับพระบัวรูปที่ยืนอยู่เลยเพราะเป็นกายทิพย์ใครๆมองไม่เห็นยืนดูอยู่จนเขาผาพระบัวเสร็จแล้วจึงออกเดินทางเสมือนไปทุ่ดงอย่างที่เคยทำเมื่ออยู่ในร่างพระบัวที่เป็นมนุษย์ ต่อจากนั้นผู้ระลึกชาติได้ได้เล่าถึงไปพบยมบาลและวิญญาณเป็นอันมากที่ตายไปแล้วทั้งคนดีและคนชั่วซึ่งผู้เขียนจะขอข้ามตอนนี้ไปเพราะมีรายละเอียดมากเมื่อพระบัวมาเกิดใหม่ในครอบครัวของหญิงคนหนึ่งหน้าบ้านน้ำกําอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนั้นขณะที่คลอดก็รู้ตัวว่าเกิดใหม่ใชแล้ว แต่ไม่สามารถทำตามความรู้สึกได้เพราะร่างกายยังอ่อนอยู่มากในขณะที่คลอดออกมานั้นสัญญาในอดีตที่เคยเป็นพระไม่ได้ลืมเลือนไปเลยแม้จะเป็นทารกตัวแดงๆก็รู้สึกว่าตัวยังคลองจีวรสภายบาดและแบกกลดอยู่ในร่างเด็กและยังสามารถระลึกย้อนหลังไปได้โดยลำดับจนกระทั่งบ้านที่เกิดในพบก่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องจำได้หมด แต่พูดไม่ออกเพราะหัดพูดได้บ้างก็เรียกตัวเองว่าอาตมาอาตมาแบบพระเพราะรู้สึกว่าตนยังเป็นพระอยู่ตลอดเวลาเมื่อพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าอาตมาอาตมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ห้ามไม่ให้พูดเกรงว่าจะบาปเพราะเป็นคำที่พระเรียกตัวเองไม่ใช่คำพูดสาหรับเด็กหรือคาวาะเมื่อถูกดูบ่อยเข้าก็ตกใจกลัวและเสียใจ ความรู้สึกที่ว่าตัวเป็นพระตลอดถึงเพศพระที่อยู่ในความทรงจําก็หายไปแต่การระลึกชาติได้ยังมีอยู่ยิ่งโตขึ้นความคิดถึงบ้านเก่าและพ่อแม่พี่น้องในชาติก่อนก็มีมากขึ้นจึงบอกพ่อแม่ในชาติใหม่ว่าอยากไปเยี่ยมบ้านเก่ายิ่งถูกดุหนักเพราะคาพูดอย่างนี้เขาถือเป็นลางไม่ดีในที่สุด ได้ตัดสินใจเล่าเรื่องในชาติก่อนของตนให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ฟังแล้วเห็นสมจริงเกิดสังเวชสลดใจร้องไห้เมื่อสมนเนรเลี่ยมได้พบท่านอาจารย์ทองที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครในงานชาปนกิจศพของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2494ก็จำได้อย่างแม่นยา และยืนยันว่าท่านอาจารย์ทองรูปนี้แหละที่เคยเป็นอาจารย์เก่าของตนต่อมาเมื่อท่านยอบอผู้เขียนเล่าเรื่องสมาเณรเลี่ยมได้พบท่านอาจารย์ทองเป็นส่วนตัวเล่าเรื่องพระบัวซึ่งเกิดใหม่เป็นสมานเณรเลี่ยมให้ท่านฟังท่านรับสมจริงทุกประการว่าปีนั้นมีพระธุดงค์มาป่วยตายที่บ้านสามผงสามรูปพระบัวเป็นรูปสุดท้ายตายมาได้สิบหปีแล้ว อายุของสมเด็จเวลานั้นคือพุทธศักราช2493ได้15ปีเรื่องนี้ผู้เขียนเก็บความตัดตอนจากหนังสือเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำหนึง่งรวบรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกศสิงห์รงพิมพ์มหมามกุลราชวิทยาลายัยกรุงเทพพุทธศักราช2516เรื่องนี้ ท่านยอวอ์ผู้เขียนเล่าได้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1. เมื่อผู้เขียนพาสมานเณรไปดูท่านอาจารย์ทองซึ่งเคยเป็นอาจารย์ในพกก่อนของสมา น, นเณรสมานเณรตอบได้อย่างแม่นยำ 2. บ้านสามผงที่สมานเณรอ้างถึงนั้นมีอยู่จริง 3. ทั้งทางบ้านและทางวัดยืนยันว่าเคยมีพระมาตายในปัญษาั้นถึงสามรูป ไม่เคยมีมาก่อนนับแต่สร้างหมู่บ้านและสร้างวัดมา 4. สีมม่สมณีนไม่เคยไปบ้านสามผงในชาตินี้ทำไมจึงพูดถูกว่าเคยตายที่นั้นห้าท่านอาจารย์ทองซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่สมณีนอ้างถึงก็รับว่าเรื่องที่สมณีนเล่านั้นเป็นความจริงหกปีพุทธศักราช2493 ซึ่งเป็นปีที่ท่านยอวบอผู้บันทึกพบกับสมะเนีนเมื่อถามถึงอายุสมะเนีนบอกว่าอายุ15ปีและในปีเดียวกันท่านผู้บันทึกได้พบกับท่านอาจารย์ทองเรียนถามถึงการตายของพระบัวท่านบอกว่าพระบัวตายมาได้16ปีพอดีทั้งนี้โดยที่ท่านไม่ได้ทราบอายุของสมะเนีนในชาติใหม่นี้เลย เรื่องนี้มีน้ำหนักพอเชื่อได้เช่นเดียวกับเรื่องที่หนึ่งซึ่งเกิดในอินเดีย